อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ496 1. ้ิกษุผู้ถอนภายในอรุณสองพิษุผู้สลับให้ไป3ามพิษุผู้มีจีวรสูญหาย4ี่พิษุผู้มีจีวรฉิบหาย5้าพิษุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ 6. กพิษุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไป7จิดพษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ 8. ภพิกูุได้รับสมมุติ 9. ภพิกูุวิกลจริต 10. ภพิกูุต้นมัญญัติอุทโทสิตะสิกขาบทที่สองจบ